มีคนบอกอาตมาว่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษย์คือการพูดต่อหน้าคนเยอะๆอาตมาต้องบรรยายทำให้ผู้คนฟังอยู่บ่อยๆทั้งตามวัดต่างๆในการประชุมในงานแต่งงานและงานศพ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 อาตมาไม่ได้เตรียมการบรรยายไว้ล่วงหน้าและยังนึกไม่ออกว่าจะพูดเรื่องอะไรดีผู้ฟังกว่า300รอคนที่นั่งรออยู่ในห้องประชุมล้วนคาดหวังว่าจะได้รับแรงบรรดาลใจพวกเขาอุตส่าห์สลักเวลาช่วงเย็นมาฟังอาตมาบรรยายทำอาตมาเริ่มคิดวุ่นวายใจว่าแล้วถ้าเราคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรล่า แล้วถ้าเราพูดผิดพลาดเราแล้วถ้าเราแสดงอะไรไม่ก้าท่าออกมปละ่ะความกลัวทั้งหมดเริ่มจากความคิดว่าแล้วถ้าก่อนที่จะต่อด้วยอะไรอะไรที่จะส่งผลร้ายอาตมากำลังคาดการอนาคตแถมยังเป็นไปในทางลบ อาตมาช่างคิดผิดไปแท้ๆอาตมารู้ตัวว่ากำลังคิดผิดอาตมารู้ทรษฎดีทุกอย่างแต่มันใช้การไม่ได้ในเวลานี้ความกลัวแล่นเล่าอาตมากำลังตกที่นั่งลำบากเย็นนั้น